นอดน้อมพระรัตนตรัยขอบกาบคารวะครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงปู่เทียนหลวงพ่อคำเขียนครูบาอาจารย์ที่วัดป่าสุขโตพระเถรานุเถระที่อยู่บนศาลาแห่งนี้แล้วก็ขอเจริญพร าญาติธรรมทุกท่านาวันนี้ท่านจันสุรินได้นิมนต์ให้กับผมเรืยองตา ม, มามาพูดคุยกับพวกเราก็ต้องขอออกตัวนิดหนึ่งว่าสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้อาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรืออาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างแล้วก็หวังว่าครูบาอาจารย์จะได้ช่วยตักเตือนแนะนำในสิ่งที่อาจจะขาดตกบกพร่องไป <c oughs> เอ่อแต่ที่สังเกตที่พวกเราได้มาอยู่ปฏิบัติกันสามสี่วันนี้ <c oughs> ก็เห็นความตั้งใจของพวกเราที่จะมาเรียนรู้เรื่องชีวิตเรื่องจิตใจ เอสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่แต่ก่อนนั้นตัวกระผมเลือรรมาเองก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ลี้ลับเป็นเรื่องที่สูงส่งเป็นเรื่องที่เข้าใจยากอยาพอพูดถึงธรรมะพูดถึงความจรงิงพูดถึงศาสนาธรรมเราก็ไปคิดว่ามันจะต้องเป็น อะไรสักอย่างหนึ่งที่จะทำให้เรามีความสงบไม่ต้องคิดอะไรเลยมีความสบายและเป็นสิ่งสิ่งที่จะช่วยทำให้เราไม่เครียดไม่มีความทุกข์อันนั้นคือเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นความเข้าใจหรือเป็นความคิดที่ตัวกับผมในธทรมเองก็ได้ เป็นอย่างนั้นมาประกอบกับอ่านหนังสือมากจะเป็นของอาจารย์พุทธทาสก็ดีของเจ้าคุณประยุทธ์ก็ดีสับแสงต่างๆก็ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ธรรมะนี่เป็นเรื่องที่ยากนะปฏิจาสมุบปปะบาทกิเลสตัณหาอุปทานซึ่งเป็นภาษาที่ พวกเราคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่เคยคุ้นคือมันเป็นภาษาบาลีะนะฮะแต่ก่อนถ้าเราถ้าเป็นคนสมัยโบราณเนี่ยภาษาบาลีเขาจะเข้าใจวันก่อนที่ได้ฟังท่านอาจารย์จันตุ้มเล่าให้ฟังว่าที่พ่อแม่เนี่ยก็พูดภาษาบาลีเป็นภาษาธรรมดาเลยแต่ของเราเนี่ยเราเราไม่รู้ภาษาบาลีเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านหนังสือธรรมะก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ ปลตัวเป็นเรื่องที่เราเข้าใจยากเราติดในภาษาแต่เมื่อได้มาเรียนรู้ปฏิบัติจากการฝึกเจริญสติเนี่ยก็ทําให้เห็นว่าธรรมะหรือความจริงเนี่ยก็คือสิ่งธรรมดาที่มีอยู่ในตัวเรานั่นแหละการที่เรามาปฏิบัติธรรมมาเจริญสติก็มาเห็นสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวเรานั่นแหละ ซึ่งบางอย่างก็เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็พยายามผลักมันออกไปยกตัวอย่างเช่นบางทีเราทําแล้วเราง่วงเราไม่อยากให้มันง่วงหรือบางทีทําแล้วมันรู้สึกสบายปลอดโปร่งโลง่งเราอยากให้มันมีอย่างเนี้ยอยู่เรื่อยๆเราอยากจเจ้าเข้ามาซึ่งตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ทันอารมณ์ที่มันเกิด อันนี้เป็นความจริงที่มันมาแสดงให้เราเห็นต่อหน้าต่อตานะเนี่ยแหละคือธรรมะคือปรากฏการณ์คือสิ่งที่เป็นจริงแต่เราปฏิเสธมันเพราะเราไปคิดว่าธรรมะคือสิ่งที่มันไม่ทุกข์อะไรอย่างนั้นสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็พยายามผลักออกไปสิ่งที่เราชอบเราก็พยายามดึงเข้ามาซึ่งตรงนั้นเนี่ยอย่างตะกี้นี้ที่เราสวดกันไปแล้วว่า สังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงทำสัพเพทำมาไม่มีตัวมีตนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไปเราอยากให้มันเกิดมันก็ไม่เกิดเราไม่อยากให้มันเกิดมันก็เกิดเราก็มีหน้าที่เพียงอย่างเดียวก็คือดูเห็นรู้แล้วก็อย่าไปยึดทีนี้ไอการไม่ยึดเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เรามองมันบ่อยๆเรื่อยๆ เ, เห็นมันบ่อยๆเห็นมันเรื่อยๆ วันนั้นที่เรามาสร้างจังหวะกันก็ดีเดินจงกรมก็ดีเนี่ยมันทําซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ยเจตนาก็คือให้เห็นเหล่านี้ให้มันเห็นชัดๆเมื่อเห็นชัดๆแล้วจะเห็นความจริงว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงมันทนไม่ได้มันบังคับบัญชาไม่ได้ซึ่งสิ่งเหล่าเนี้ยไม่ใช่เราจําแล้วเราคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นอย่างนั้นของมันจริงๆมันผ่านประสบการณ์ที่เราได้เจริญสติ สิ่งที่เราเห็นจริงๆเนี่ยมันแสดงต่อหน้าต่อตาเพราะฉะนั้นที่เราฝึกเนี่ยแรกๆเนี่ยตัวกับผมเรียกทำไมก็เหมือนพวกเราง่วงนอนฟุ้งซ่านปวดเมื่อยเบือ่อสมัยที่ไปฝึกปฏิบัติกับหลวงพระเทียนใหม่ๆฟังหลวงพระเทียนก็ไม่รู้เรื่องเพราะบางอย่างเนี่ยยอมรับแล้วว่าเป็นภาษาอีสานส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ย สภาวะที่ท่านพูดออกมาเนี่ยเรายังไม่มีประสบการณ์เรายังไม่มีะาารเรมมะนั้นบอกรู้สึกตัวหูเมื่ออะไรเนี่ยเราไม่รู้มันยังไงความรู้สึกตัวมันเป็นยังไงเราไม่รู้จริงๆแต่เราก็พยายามพยายามที่จะรู้ตัวแรกๆก็ต้องเจตนาที่จะต้องทำเพราะความรู้สึกตัวเนี่ยจริงๆมันมีโดยสัญชาตญาณเราอยู่แล้วแต่ที่เรามาทาเนี่ย ทำให้มันฉับไวขึ้นเพราะนั้นเทคนิควิธีการที่หลวงพ่อเทียนท่านได้นําเสนอเนี่ยเป็นเป็นเทคนิคที่จะทาให้เราเนี่ยไปรู้จักกับความรู้สึกตัวซึ่งแรกๆต้องเจตนาทีนี้ทําแรกๆเนี่ยเป็นธรรมดาล่ะพวกเราเนี่ยทุกคนธรรมะก็เป็นตัวผมก็เป็นคือตั้งใจอยากให้มันรู้สึกอะ่ะก็เพ่งลงไปใช่ไหมพอทําเนี่ยมันก็จะแน่นหนัก อึดอัดอ่าเนี้ยเป็นธรรมดาพอมันแน่นมันอึดอัดเนี้ยธรรมดาของคนเราพอมันมันมีอย่างเงี้ยมันก็ต้องหาทางออกก็ต้องคลายออกมาบ้างเช่นบางทีเรานั่งสร้างจังหวะเนี้ยเราตั้งใจเพ่งมากๆเนี้ยเราก็มองออกไปโลง่งๆมองออกไปท้องฟ้าให้มันโลง่งๆปล่อยอารมณ์ออกไปบ้างเพราะเราไปเพ่งเข้าข้างใน เพ่งเข้าข้างในมันจะมึนหัวมันจะหนักหัวมันจะแน่นมันจะอึดอัดบางคนมีนจะอ้วกเลยนะแต่ตัวผมนี่แต่มายังไม่เคยเจอแบบนั้นแต่เคยมีคนที่ไปดูมาด้วยเกือบอ้วกเพราะมันแน่นอกมันเพ่งเข้าไปข้างในโดยเราไม่รู้ตัวโดยเราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นวันก่อนที่ท่านอาจารย์หวงศิลป์เปิดให้ดูตอนหลวงพ่อท่านไปสอบอารมณ์จะเห็นว่าส่วนใหญ่ท่านจะบอกว่านนะให้มองออกไปนระบายคล้ายคลา ย, ลายออกไปบ้าง การคลายออกไปเนี่ยเราก็จะเห็นความอมันเบาเนาะเดี๋ยวทาไปน้าหนักอีกแล้วเบาตรงเนี้ยเราต้องทําเองครูบาอาจารย์ไม่สามารถจะบอกได้ว่าตรงกลางมันคือตรงไหนความพอเหมาะพอดีคือตรงไหนเราต้องสังเกตถ้ามันรู้สึกแน่นเออเราก็คลายออกเนี่ยคือเพราะฉะนั้นการฝึกเนี่ยเราต้องมี ถ้าพูดภาษาสมัยใหม่ต้องมีลูกเล่นบ้างลูกเล่นที่จะช่วยตัวเราเองจะไปพึ่งครูบาอาจารย์ท่านไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดเพราะนั้นครูบาอาจารย์ที่แท้จริงก็คือตัวเราลองผิดลองถูกมันแน่นทำให้มันโล่งหรืออยังางเวลาง่วงสังเกตเวลาง่วงเนี่ยมักจะเป็นเวลานั่งแล้วเราทำชา้ชาๆยกชา้ชาๆเราทาเร็วๆดูนะทาเร็วๆดูนะ เนีมันก็จะตื่นตัวขึ้นหรือไม่กับใช้เนี่ยพอเวลาเราลงเราทุบลงไปอย่างนี้เลยไม่ใช่ไหมอย่างนี้มันก็เรียบร้อยดีความง่วงมันก็ครอบงำเนี่ยก็ปึ้งอย่างนี้บ้างไปบ้างหรือบางทีถ้ามันทำสิบสี่จังหวะแล้วมันมันยังง่วงอยู่แล้วก็ตีเล่นอย่างนี้บ้างก็ได้ตีเล่นอย่างนี้บ้างก็ได้ให้มันรู้สึกตัวคืออย่าให้ความง่วงมันครอบเราได้ความง่วงเนี่ยมันตรงกันข้ามกับความตื่น เพราะฉะนั้นความง่วงนี่ไม่ใช่สิ่งที่ชั่วลายนะมันเป็นตัวที่มาก่อนที่เราจะตื่นถ้าเราสามารถผ่านความง่วงได้มันก็จะตื่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอย่าไปปฏิเสธมันอะไรที่มันผ่านเข้ามารับรู้เรียนรู้หาทางแก้ไขบางอย่างเราแก้ไขได้แก้ไขเช่นความง่วงเนี่ยแก้ไขได้วันนี้ถามมีบางคนบอกหอยง่วงกว่าเมื่อวานอีกแต่ก็ไม่ แต่ก็ไม่กลับไปนอนใช่ไหมก็ยังพลอยพยายามที่จะเรียนรู้พยายามที่จะปรับตัวตรงนี้เนี่ยเราเริ่มที่จะพัฒนาบางคนบอกทำไปแล้วโหวันนี้มันหลงามากกว่ารู้การที่เรารู้ว่าหลงแสดงว่าเรารู้ทีเรามีสติใช่ไหมไม่เป็นไรหลงแล้วก็แล้วไปเริ่มต้นใหม่ตัวผมเนี่ยตั้มมาเองชอบคำที่หลวงพอ่ อ, อ, งพอคำเขียนนั้นพูดอยู่เรื่อยๆนะ หลงแล้วแล้วไปเริ่มต้นใหม่สติเนี่ยเริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยแล้วทารู้บ้างหลงบ้างบางคนตั้งใจจะให้รู้ตลอดเลยมันผิดธรรมชาติแล้วรู้บ้างหลงบ้างนี่ก็คือมันจะเป็นธรรมชาติมันจะเกิดการสมดุลขึ้นมาบางทีทาไปแล้วมันมึนหัวโดยเพราะบางทีมึนหัวนี่มันเกิดได้สองอย่างคื อ, อันนึงก็คือเราเพ่งเข้าไปข้างใน มองไปนอกๆหรืออกอันหนึ่งคิดคิดคิดเรื่องคิดเรื่องแล้วไม่รู้คิดเรื่องหนึ่งต่อไปอีกเรื่องหนึ่งคิดถึงบ้านคิดถึงคนที่บ้านคิดถึงเพื่อนคิดมันไปแล้วอันนี้มันเข้าไปในความคิดแล้วถ้าเจออย่างนี้เนี่ยกลับมารู้สึกตัวที่การเคลื่อนไหวอาจจะเดินแรงขึ้นอาจจะเดินเร็วขึ้นถ้ามันเดินเร็วแล้วมันยังไม่ไหววิ่งเลยก็ได้วิ่งจงกรมได้เขามีวิ่งจงกรม ไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปอายที่นี่อนุญาตวิ่งได้วิ่งจงกรมมีบางคนสมัยนะแต่มาไปฝึกอยู่ที่วัดสนามนายมีวิ่งจงกรมเหมือนกันนะมันโอ้มันไม่ไหวมันง่วงอะขนาดเดินเร็วมันก็ยังไม่หายง่วงวิ่งเลยแต่วิ่งกับเหยอนะมันจะวิ่งเร็วนะก็ทำได้มันเป็นอุบายที่เราจะแก้อารมณ์ซึ่งอันเนี้ยคนใหม่ๆก็จะเจอตัวแตไมก็จเจอแตตอนนั้นฝึกก็เรียกว่า เอากันจริงๆเอากันเต็มที่ทีนี้ความพเหมาะพอดีเนี่ยพอเราทําเพ่งมากๆมันจะถอยออกมาแล้วมันก็จะหาความพอดีของมันเอง mm. อย่าไปถามว่าความพอดีอยู่ตรงไหนไปถามอาจารย์บอกไม่ได้รเราต้องสังเกตตัวเราเองทําช้ามันง่วงก็เร็วทําเร็วมันฟุ้งซ่านก็ทําช้าอันเนี้ยมันมันต้องปรับซึ่งซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราเรา เราเราสามารถจะทําได้อันนี้จากประสบการณ์ที่ที่ทําทีนี้ถามว่าฝึกมานานแล้วยังง่วงไหมง่วงก็ยังง่วงอยู่แต่เพียงแต่ว่าไม่เป็นปัญหาความง่วงไม่เป็นปัญหาเราไม่ยอมให้มันมาครอบงำเราจะมาก็มาก็เป็นเหมือนเพื่อนมาเยี่ยมเยือนเยี่ยมเยือนแล้วก็ผ่านไปเรากลับมารู้สึกตัวเป็นธรรมดานี้เป็นเป็นเรื่องที่เกิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะดีจะร้ายในความคิดของเราเนะรับรู้แล้วก็ผ่านรับรู้แล้วก็ผ่านอาศัยความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นตัวปรับสมดุลแล้วที่สุดเนี่ยมันก็จะไปเจอสภาพหนึ่งก็คือความเป็นปกติของใจอันนี้มันจะมีโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะมันไม่ไม่ไปซ้ายไม่ไปขวาไม่ไปบนไม่ลงอยู่ธรรมดางมันอย่างนั้น ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเป็นจุดที่ทําให้เราจิตเราเนี่ยมีความสมดุลนะตรงนี้จะเป็นจุดที่ที่จะช่วยจะไม่ใจเราเป็นปกติถ้าใจเป็นปกติแล้วเนี่ยอะไรมันเกิดมันก็เห็นชัดอะไรที่มันเกิดอารมณ์ที่เกิ ด, ค ว, กดความโกรธความโลภคำหลงมันก็จะเห็นชัดมันยังไม่ทันโกรธแล้วมันมันเริ่มแล้วเริ่มรู้แล้วมันรู้ว่าแหล่งที่เกิดเนี่ยมันอยู่ตรงไหน ถ้าพวกเราเคยอ่านหนังสื อ, อ, อตอนที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยมีมียานมีมียานอยู่สามสามยานใช่ไหมอะไรปุกเพเป็นการรู้ว่าชาติที่แล้วเป็นยังไงแล้ว่อนที่สองก็คือรู้ว่าจุดเกิดเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนชีวิตเนี่ยเกิดที่ตรงไหนและที่สามก็อะะยาศวัคยญาณ จริงๆ ร, รู้ว่าเกิดที่ไหนเนี่ยจริงๆก็คือเราย้อนไปถึงอดีตของเราเนะี่ยความคิดของเราอะ่ะคิดไปถึงเมื่อวานคิดไปถึงวันก่อนคิดไปถึงเรื่องอดีตนะั่นแหะถ้าเราสังเกต ด, ดูตรงนี้บ่อยๆนะ่ะเราจะรู้อ๋อความคิดที่เราคิดนะมันอยู่ตรงนี้เนะี่ยรู้จุดแนละ้วใช่ไหมพอรู้จุดตรงนี้เนะี่ยเราก็จะรู้จักการปล่อยการวางได้เพราะนั้นสิ่งที่พระเจ้าเจ้าจะรู้เนี่ยแต่ก่อนเราคิดว่าเออรู้ตรงนั้นก็คือต้อง กลับไปอดีตชาติเมื่อชาติที่แล้วเราเป็นอะไรอย่างนั้นอันนั้นเป็นภาษาซึ่งซึ่งโอ้โหมันมันต้องอาศัยยานพิเศษหน่อยแต่ถ้าเราอย่างเนี้ยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เห็นอย่างนี้เนี่ยเราหน้าที่จะามาใช้ได้ในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมะเรื่องของความจริงเนี่ยเป็นเรื่องที่เราสัมผัสได้จริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องลี้ลับอะไร กุญแจที่จะเขยเข้าไปรู้จักความจริงนี้คือความรู้สึกตัวเป็นกุญแจดอกเอกเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่มีอยู่แล้วในทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยสามารถจะรู้ได้ในพระไตรปิฎกเนี่ยเขาพูดถึงบัวแค่สามเหล่านะบัวเหล่าที่สี่นี่อัตตะจารย์นีิบาเขียนเอาทีหลังเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นพุทธเจ้าเนี่ยเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะรู้ธรรมะได้ แต่ถ้าเป็นยุคปัจจุบันก็อาจจะเป็นคนคนมีสติไม่สมประกอบพวกนั้นนะ่ะก็อาจจะไม่รู้แต่ทุกคนสามารถจะรู้ได้เพราะสติหรือความรู้สึกตัวมีในทุกคนเพียงแต่ว่าเราจะพัฒนาให้มันฉับไวกับความคิดได้แค่ไหนรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ได้แค่ไหนเพราะนั้นที่เรามาปฏิบัติกันสามสี่วันเนี่ยอนะาจารย์ดงศิลก็ปล่อยให้พวกเราทาวันนี้ เต็มวันเลยนะเนี่ยตรงนี้คือให้เราเรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะสิ่งที่เราฟังเนี่ยบางทีมันจําสังเกตครูบาอาจารย์เนี่ยจะไม่พูดสภาวะทำอะไรมากเพราะถ้าพูดมากเนี่ยเราจะจําจําแล้วเราก็เอาไปคิดว่าเรารู้ตัวอตมาหรือกระผมก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหลวงพ่อเทียนเคยพูดถึงปราชิกสีราชิกสีมีข้อหนึ่งก็คือลักขโมย รักขโมยส่วนใหญ่เราจะคือไปรักของอ่ะแต่จริงๆหลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าไปรักเอาความรู้ที่ครูบาอาจารย์พูดมาเป็นตัวเราทั้งๆ ท, ท, ที่สภาวะนั้นยังไม่เกิดยังไม่ใช่ตัวเราแต่เราคิดว่าเราใช่นี่คือหลงหลงว่าเรารู้ตัวตัวกระผมนิสิตมาเคยเป็นอย่างนั้นโอ้โหฟังหลวงพ่อพูดนี่เหมือนจริงเลยเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยแต่มันคิดเอาว่าเป็นอย่างนั้นจริง แล้วรู้ได้ไงไม่เป็นจริงพอไปเจอเหตุการณ์จริงๆใครมาพูดอะไรไม่ถูกไม่ถูกใจโกรธขึ้นมาเนี่ยเอา้าเรานึกว่าเรารู้แล้วไม่ใช่นี่คือเราหลงเราจําเพราะฉะนั้นประสบะการณ์ครูบาอาจารย์พูดเนี่ยฟังฟังไว้แต่อย่าไปเป็นอย่าไปเอาเป็นตัวเราแต่มทีมันก็ไม่รู้นะอันนี้มันจะรู้ทีหลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีให้กําลังใจเรา ให้เราตรวจสอบเมื่อเมื่อตอนเย็นวันนี้มีมีโยมคนหนึ่งมามาถามมาคุยบอกว่าตอนที่ฟังท่านจารยงศิลวันนั้นเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยแต่พอไปปฏิบัติแล้วสัมผัสกับอารมณ์นั้นสภาวะนั้นอ๋อเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ยิ น, นย้ฟังจากครูบาอาจารย์เนี่ยเราฟังไปแล้วไม่เข้าใจไม่รู้ไม่เป็นไรฟังเอาไว้แล้วปฏิบัติปฏิบัติแล้วเดี๋ยวมันสัมผัสสภาวะนั้นมันก็อ๋อขึ้นมา เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไม่ต้องไปไม่ต้องไปกังวลว่าเ อ, อฟังไม่รู้เรื่องตัวกระผมเนี่ยธรมาก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันประสบาการณ์นี้เหมือนกันแต่เราทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเข้าใจเข้าใจรู้ในเรื่องเหล่านี้ความจริงเพราะนั้นธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่มีอยู่กับตัวเราเองอยู่แล้วแต่ต้องอาศัยการกระทาบ่อยๆ โดยเฉพาะการทําความรู้สึกตัวเนีเป็นสิ่งที่จะช่วยทําให้เราเข้าไปเรียนรู้ความจริงของชีวิตได้จากประสบการณ์ของตัวเองที่ได้รู้ได้รู้มาบ้างแต่ยังไม่ถึงที่สุดแล้วก็เห็นว่าทางเนี้ยวิธีการเนี้เป็นวิธีการที่ลัดสั้นตรงแล้วก็สมบูรณ์แบบมาก สมัยก่อนเราไปอ่านหนังสือธรรมะเนี่ยจะต้องมีโพธิ ป, ปัจจะธรรมสาสบเจ็ดเริ่มจากสติเริ่มโอ้โหเยอะทำไ ม, มเยอะแยะจังเลยแต่พอมาเรียนรู้วิธีนี้บอกสติความรู้สึกตัวอันเดียวแล้วมันจะไปพ่วงธรรมะอย่างอื่นมาเองมันมาเองเลยเพราะฉะนั้นจริงว่าเป็นวิธีการที่กระทัดรัดแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรมากคําว่าไม่ทําอะไรมากคือใช้เครื่องมืออันเดียวเนี่ย แล้วมันสามารถที่จะเจาะทะลุทะลวงเข้าไปในในตัวเราได้อย่างดีเคยครั้งหนึ่งเคยถามหลวงพ่อคำเขียนว่าเอ๊ะหลวงพ่อแค่รู้สึกตัวแค่เนี้ยเหรอมันจะไปถึงที่สุดหลวงพ่อบอกใช่มันไปถึงที่สุดได้แค่รู้สึกตัวเนี่ยปัญญามันจะตามมาสติสัมปชัญญะมันจะตามมาและเครื่องมือพวกนี้ยคือเมื่อเรารู้สึกตัวบ่อยๆเรื่อยๆมันจะเจอ อารมณ์ที่หยาบยาบหรือความคิดที่หยาบหยาบก่อนแล้วมันก็จะค่อยๆเข้าไปที่ละเอียดอ่อนขึ้นความคิดที่ละเอียดเข้าไปความคิดที่ละเอียดเท่าที่สังเกตก็คือความหลงตัวเองหลงว่ารู้หลงว่าบรรลุแล้วหรือบางทีมันก็ยกยอต่อปั้นเราว่าอย่างนั้นอย่างนี้ถ้านั้นไม่พออยากจะพูดอยากจะสอนอันนี้มันจะเป็นบางทีเราไม่รู้ตัว นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ที่อยากจะพูดคุยแบ่งปันประสบาการณ์ที่ที่ได้เรียนรู้มาก็คิดว่าน่าจะน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับพวกพวกที่พวกเราทุกคนที่ได้ปฏิบัติแล้วก็ขอเช่นชมยินดีนะครับในการที่พวกเราได้มาเรียนรู้เรื่องพวกนี้เพราะสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญ ที่จะใช้ในการดำรงชีวิตเพราะในโลกปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่ามันมีสิ่งที่ชวนให้เราเนี่ยออกไปสนใจกับวัตถุภายนอกมากเมื่อเราสนใจแต่วัตถุภายนอกมากๆเนี่ยและเราไม่ได้สนใจในจิตใจของเราเนี่ยบางทีเราก็จะมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยมั่นใจมีความรู้สึกว่าเวมีความรู้สึกไม่อิ่มใจมันขาดอะไรไปบางอย่างเพราะ ตัวเรามีมีกายและมีใจแต่โลกปัจจุบันเราให้ความสนใจแั่ ก, กายอย่างเดียวแต่เราไม่ได้ดูแลจิตใจเลยเราไม่ได้ห้าหาจิตใจเลยอาหารของจิตใจก็คือความรู้สึกตัวความเป็นปกติของใจนี่เองนี่คือสิ่งที่จะทำให้หล่อเลี้ยงจิตใจให้ชุ่มชื่นขึ้นมาให้มีความอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถจะทาได้โดยไม่เสียสตังซักแดงเดียว เราไม่ต้องไปหาซื้อตามห้างสรรพสินค้าแล้วสิ่งเหล่านี้เงินล้านก็ซื้อไม่ได้ต้องทําเอาเองจะมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้แต่ต้องทําเอาเองเพราะฉะนั้นตรงเนี้ก็อยากจะฝากพวกเราช่วยโอกาสที่มีที่มาอยู่พยายามเรียนรู้เรื่องพวกนี้ให้เต็มที่ก่อนที่เราจะกลับไปสู่โลกเพื่อที่จะ ใช้ชีวิตต่อไปก็ไม่รู้ฟังกันรู้เรื่องหรือเปล่านะบางทีพูดไปพูดรู้คนเดียวเข้าใจคนเดียวแต่คนฟังอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้ามีอะไรที่อจะพูดคุยกันดีก็ก็กได้ถ้าเจอก็สอบถามพูดคุยกัน <c oughs> เออตัวกระผมนี่ติตมาเองไม่ไม่ไม่ขอประกาศว่าตัวเองเป็นอาจารย์นะ ไม่ใช่อาจารย์เป็นเพื่อนเป็นกัลยะาณมิตรเป็นคนที่ร่วมเดินทางกําลังเดินทางเหมือนพวกเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถ้ามีอะไรที่จะมาแลกเปลี่ยนกัน ก, ก็ยินดนะีก็ถือว่ า, าตัวข้ผมุทธเจ้าเองก็ได้เรียนรู้จากพวกเราด้วยเพราะต้องยอมรับอย่อยางนึงว่าประสบาการณ์เราก็ยังยังต้องทาต่อไปแล้วก็ ทุกคนเนี่ยมีมีความรู้มีประสบาการณ์ที่จะแลกเปลี่ยนกันได้นี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราไว้นะครับก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะขอใหออ้ความภาคเพียรพยายามของพวกเราความตั้งใจของพวกเราที่ได้มาร่วมกันเรียนรู้ศึกษาการเจริญสติที่วัดป่าสุขกโตแห่งนี้ จงเป็นพลวะปัจจัยให้ทุกท่านได้ประสบกับความเป็นปกติของจิตใจในเร็ววันนี้ด้วยเทิญ